วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบสองพฤษภาคมพุทธศักราชสอง7ห้าสเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิษัทวผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้วิธี ของการอยู่อย่างมีความสุขสุขทั้งกายและสุขทั้งใจการที่เราจะมีความสุขกายและความสบายใจได้นั้นเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราทุกคน เราไม่มีเพียงแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวร่างกายเป็นส่วนที่เรามองเห็นแต่เรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือจิตใจ<ม>จิตใจนี้<ม>กับร่างกายนี้<ม>เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนฝาแฝด<ม>ร่างกายเป็นแฝดน้อง<ม>ใจเป็นแฝดพี่ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆและใจก็เป็นผู้ที่รับผลของการกระทําต่างๆของร่างกายร่างกายนี้มีสิ่งที่จะทําให้ร่างกายอยู่อย่างเป็นสุข เช่นเดียวกันใจก็มีสิ่งที่จะทำให้ใจอยู่อย่างเป็นสุขเราจึงต้องหาสิ่งที่ทำให้ร่างกายและใจนี้อยู่กันอย่างเป็นสุขสิ่งที่จะทำให้ร่างกายนี้อยู่อย่างเป็นสุขคืออะไรก็คือปัจจัยสี่ได้แก่หนึ่งอาหาร สองเครื่องนุ่งห่มสามที่อยู่อาศัยและสี่ยารักษาโรคเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่คือสิ่งที่จะทำให้ใจที่จะทำให้ร่างกายอยู่อย่างมีความสุขเราจึงต้องคอยหาปัจจัยสี่มาคอยเลี้ยงดูร่างกาย อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอทุกวันเลยที่เราอยู่กันนี้เราต้องคอยหาอาหารคอยหาเครื่องนุ่งหม่มคอยหาที่อยู่อาศัยและคอยหายารักษาโรคไว้ดูแลร่างกายอยู่เพราะว่าถ้าร่างกาย่าดปัจจัยสีไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เกิดอาการเจ็บไท้ได้ป่วยขึ้นมาได้หรืออาจจะถึงแก่ความตายไปก็ได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสีไว้เลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้เลี้ยงให้ร่างกายนี้อยู่อย่างอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายปราศจากความทุกข์ แต่การเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็ต้องมีขอบมีเขตมีประมาณเพราะว่าถ้าเลี้ยงดูร่างกายมากเกินไปหรือดีเกินไปก็อาจจะเป็นการไปสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่จิตใจเพราะจิตใจเป็นผู้ที่จะต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าต้องหามากจิตใจก็ต้องเหนื่อยมากถ้าหายเนาะหาหาน้อยจิตใจก็หาจิตใจก็เหนื่อยน้อยแเวลาคงไม่ต้องการที่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจจากการที่เรามาเลี้ยงดูร่างกายของเราพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรา เลี้ยงดูร่างกายโดยใช้หลักมากน้อยสันโดษคาว่า ม, มากน้อยก็คือให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ให้มากเกินไปต่อความต้องการของร่างกายคือให้มีพอดีต่อความต้องการของร่างกายโดยที่ไม่ต้องให้เราต้องใช้เงินใช้ทองไปกับการเลี้ยงดูร่างกาย มากเกินความจำเป็นให้มีสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายให้พอเพียงพ อ, พอสิ่งที่จะทำหน้าที่ดูแลร่างกายเพราะว่าปัจจัยสี่นี้มันก็มีหลายระดับด้วยกันหลายราคาด้วยกันเช่นอาหารอาหารก็อาจจะมีเนื้อรลล้อยก็มี เมื่อละห้าร้อยก็มีเมื่อละพันก็มีหรือแม้แต่เมือม่อละห้าพันก็มีแต่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเมื่อละเท่าไหร่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันก็ให้ผลเท่ากันก็คือให้ความอิ่มต่อร่างกายให้อาหารให้ธาตุอาหารให้สารอาหารเพื่อให้ร่างกาย อยู่ได้อย่างเป็นปกติทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เราเลี้ยงดูแบบนักน้อยแบบประหยัดหรือไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเสียทองให้มากถ้าอาหารที่รับประทานนี้ทำหน้าที่ของอาหารได้ คือดูแลร่างกายไม่ให้หดอยากขาดแคลนไม่ให้หิวโหยได้ดับความหิวของร่างกายได้ mm hmm. ก็พอเพียง mm hmm. นี่คือความหมายของความมากน้อย mm hmm. คือถ้าเรามีกาลังที่จะหาได้อาหารมื้อละร mm ้อ hmm. ยเราก็กินอาหารแค่มื้อละร mm ้อ hmm. ยก็พอไม่จาเป็นที่จะต้องไปกินอาหารมื้อละห mm hmm. ้าร้อยเพราะว่า ผลที่ได้รับจากกินอาหารมือละร้อยกับมือละห้าร้อยก็เหมือนกันคืออาหารนี่มีหน้าที่ไว้ดับความหิวแล้วก็คอยรักษาบารุงให้ร่างกายอยู่เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเท<ม>่านั้นเองดัง<ม>นั้นเราก็ต้องรู้จักการเลี้ยงดูร่างกายให้มันเหมาะสมกับฐานะของเรา ถ้าเรามีฐานะที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้ด้วยมือละห้าร้อยก็เลี้ยงไปก็ได้แต่ถ้าเราสามารถลดการเลี้ยงดูค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูร่างกายให้น้อยลงเราก็จะมีเงินทองเก็บไว้สำรองเก็บเงินไว้เหลือใช้เผื่อในวันข้างหน้าเกิดเวลาที่เราตกอับตกงาน หรือรายได้ขาดแครนเราก็จะได้อาศัยเงินที่เราเก็บไว้นี้มาเลี้ยงดูร่างกายได้มันก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้แก่จิตใจการเลี้ยงดูร่างกายนี้ต้องไม่ให้ไปเป็นการไปสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจให้จิตใจนี้ อยู่เป็นปกนติสุขด้วยการเลี้ยงดูร่างกายตามมีตามเกิดถ้ามากน้อยแล้วอย่างถ้าบางครั้งแม้แต่ อ, อ, อาหารมือละร้อยเราอาจก็จะหาไม่ได้เราก็อาจจะต้องลดตามกำลังของเราแทนที่เราจะกินอาหารมื้อละร้อยเรามีเพียงห้าสิบ เราก็า จ, จะต้องลดการกินอาหารให้เหลือแค่ห้าสิบบาทไปกินข้าวให้มากหน่อยอกินของที่ถูกลงไปให้มากหน่อยเพื่อให้มันได้ให้ร่างกายมันดับความหิวได้อ้างับสารอให้สารอาหารที่พอที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ก็พ อ, อ, อเราต้องมองเสมอว่าร่างกายของเรานี้มันเป็นของชั่วคราว อให้เราเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปตามการตามเวลาเราจึงไม่ควรที่จะเลี้ยงเลี้ยงดูร่างกายจนสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจจิตใจต้องไม่เครียดกับการเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าใจิตใจรู้จักมากน้อยรู้จักสันโดษจิตใจใจะไม่เครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงไปตามถ้ามากน้อยมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่พอมันไม่ดีก็เลี้ยงแบบสันโดษก็คือตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็เลี้ยงกันไปตามมีตามเกิดถึงในที่สุดก็อาจจะต้องคิดว่าอยู่ได้ก็อยู่ไป อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็จะต้องถึงแก่ความตายอยู่ดีเราจึงไม่ต้องคนเราจึงไม่ควรต้องทำให้ใจเราต้องมาเครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายใจต้องไม่เครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายถึงจะถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องถ้าเราไปเครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ เราก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราซึ่งเราก็ไม่ต้องการที่จะให้ใจของเราทุกวิธีที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ก็ต้องรู้จักประมาณในการเลี้ยงดูร่างกายให้ร่างกายมีสิ่งที่ร่างกายต้องการและพออยู่ได้ก็พอเพราะถ้าต้องไปหาของที่มีราคามากๆของที่หรูหราของที่สวยงาม มันก็ไปสร้างความสร้างภาระให้แก่ใจที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อของแพงๆซื้อของที่มีราคามากๆมาเลี้ยงดูร่างกายจึงต้องขอให้เราควรใช้คาว่ามักน้อยให้มีเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จาเป็นเช่นเสื้อผ้าก็ไม่ต้องมีให้มากเกินไป เรามีร่างกายเป็นร่างกายเดียวเราต้องมีเสื้อผ้ากี่กี่ชุดกันสำหรับผ้าภิสษุนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้มีหนึ่งชุดก็พอให้มีหนึ่งไตผ้าไตา่จีวอนหนึ่งสำรับก็พอมีผ้านุ่งหนึ่งเผืนมีผ้าห่มหนึ่งเผื่แล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งเผืนทั้งนี้ก็พอแล้วสำหรับเสื้อผ้าสาหรับ พระภิกษุผู้มีความมากน้อยสันโดษให้มีเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วแล้วมันก็จะทําให้ไม่ต้องมามีภาระให้กับจิตใจจิตในะ จ, จก็ต้องไม่ต้องมาคอยดูแลเสื้อผ้าที่มีอยู่มากมายกายกองไหนะนจะต้องหาที่เก็บให้กับเสื้อผ้าไหนะนจะต้องคอยมาเอามาซักคอยเอามาทําความสะอาดนะมีชุดเดียวสบายนะ สำหรับค า, ารวาผู้ปฏิบัติธรรมนี้มีเพียงสามชุดก็พอชุดขาวสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ไว้สวมใส่อีกชุดหนึ่งเอาไว้ซักอีกชุดหนึ่งเอาไวส้สำรองเผอวันไหนฝนตกแล้วซักแล้วมันยังไม่แห้งรามีสำรองมีเพียงสามชุดก็พอแล้วสำหรับเสื้อผ้าเพราะหน้าที่ของเสื้อผ้าคืออะไรหน้าที่ของเสื้อผ้านี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อมา เสริมสวยบุคลิกเสิมสวยความงามของร่างกายแต่อย่างไดหน้าที่ของเสื้อผ้านี้มาเพื่อมาป้องกันภัยให้กับร่างกายเป็นถ้ามีเสื้อผ้าสวมใส่ก็จะมีมีสิ่งที่ป้องกันแมลงสาดกัดต่อยไม่ให้มากัดมาต่อยร่างกายให้เกิดเป็นแผลต่างๆขึ้นมาหรือไม่ให้ของ ของคมของแหลมทิ่มแทงร่างกายอันนี้คือหน้าที่ของเสื้อผ้าแล้วก็มีไว้ปกปิดอวัยวะของร่างกายให้ดูให้ร่างกายดูไม่ไม่ไม่ไม่ฉุดอุจาอจาตาคือนนให้ดูพ อ, พอสวยพอดีพองานนี่คือมีหน้าที่ของเสื้อผ้า แล้วก็มีไว้ป้องกัน อ, อากาศที่หนาวเย็ยนเป็นต้นเพราะถ้าอากาศหนาวเย็ยนถ้าไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ร่างกายก็อาจจะเกิดเป็นที่เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้นะ<ม>ถ้าเราดูหน้าหน้าที่ของเสื้อผ้าแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆ<ม>เพราะเสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆกับเสื้อผ้าที่มีราคาถูก มันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันที่เราต้องการใช้ของถูกคือเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปสร้างความกดดันให้กับใจเพราะใจจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อเสื้อผ้าต่างๆให้แก่ร่างกาย<ม><ม>เราต้องการดูแลร่างกายเพื่อโดยที่ไม่ให้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจ<ม>ให้ยินดีตามมีตามเกิด ถ้าเราไม่สามารถที่จะซื้อได้พอเพียงก็ใช้เท่าที่เรามีไปถ้าสามชุดไม่สามารถมีสามชุดได้ก็ใช้สองชุดไปอย่างนี้เป็นต้นออย่าไปดูที่ราคาอย่าไปดูที่อรูปร่างลักษณะของเสื้อผ้ามันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเสื้อผ้าโดยตรงหน้าที่ของเสื้อผ้าโดยตรงนี้มันอยู่ที่ การต้องการร่างกายแล้วก็รักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองจะ<ม>เป็นเสื้อผ้าชุดละห้าร้อยแล้วชุดละห้าพันมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันถ้าใช้เสื้อผ้าที่มีราคาแพงมันก็ต้องไปสร้างภาระให้กับใจสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะใจยจะต้องเป็นผู้ไปหาเงินทอง มาเล้งดูร่างกายดัง mm hmm. ั้นเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจ mm hmm. เพื่อที่จะไปหาซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆที่ทําหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าราคาถูกๆเสื้อผ้าราคาถูก mm hmm. ๆก็สามารถทําหน้าที่ได้ถ้า mm hmm. เหมือนกับเสื้อผ้าราคาแพงๆอย่างในสมัยพระพุทธการนี่ ท่าสง์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ท่านไปหาหาผ้าในป่าช้ากันผ้าในป่าชา้าที้เาเรียกว่าผ้าบางสุกุลที่เราเรียกว่าผ้าป่าเนี่ยก็คือผ้าที่หอ่อศพสมัยพุทธกาลนี้เขาไม่นิยมเอาศพไปเผาหรือเอาไปฝังเขานิยมเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้หน่าบเลย โดยเอาผ้าผ้าที่มาพันหอ่อศพเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชาเมื่อทิ้งไปสักระยะหนึ่งศพก็เน่าเปื่อยกลายเป็นโครงกระดูกไปเหลือแต่โครงกระดูกพ่านักบวชสมัยก่อนที่ต้องการที่จะมีเครื่องนุ่งหม่มคือมีจีวรก็จะไปเก็บผ้าที่อยู่ในป่าช้านี่เอามาซักเอามาย้อม แล้วก็เอามาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรพระในสมัยก่อนท่านไม่มีเงินทองท่านไม่ใช้เงินทองกันและท่านก็ไม่ขอชาวบ้านด้วยสิ่งที่ท่านขอจากชาวบ้านเพียงอย่างเดียวก็คืออาหารบินทบาท่านั้นนองนนแล้วไม่ว่าจะเป็นจีวรเครื่องนุ่งหม่มท่านก็ไปเก็บผ้า ป, ป่าผ้าที่มีอยู่ในป่าช้า ที่อยู่อาศัยท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้กันทำเป็นเพลงทำเป็นเพลงไว้หลบแดดบลบผลหรือบางทีท่านก็ไปอยู่ตามถ้ำตามเงื้อมผ้ากันนพระในสมัยก่อนท่านเป็นพระป่าท่านชอบอยู่ในป่าเพราะว่ามันเป็นที่สงบสงัดที่เหมาะสมต่อการสร้างความสุขให้กับใจคือการบำเพ็ญจิตตภาวนา ท่านจึงไม่ต้องการที่จะให้มีความยุ่งยากต่อการที่จะหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายท่านถือหมักสันท่านถือหลักมากน้อยสันโดอเอาเท่าที่จำเป็นผ้าก็มีไว้เพียงหนึ่งชุดก็พอสามผืนแล้วก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้านไม่ไปขอให้ชาวบ้านถวายพ้า กีวรให้กับตนสมัยก่อนไปหาถ้าได้ในป่าช้าก็ไปหากันหามาแล้วก็เอามาซักมาย้อมแล้วก็มาตัดมาเย็ด ก, กันเองไม่ไปพึ่งพาผู้พึ่งพาตนเองที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามดินตามเกิดอย่ารักษาโรคท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูลน้ำมูลก็คือน้ำปัสสาวะ เ, เอาเอาสมออะไรมาดอง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เด่นน้ําที่ดองน้ําสมองดองนี่เราสามารถรักษาโรคภัยต่างๆได้ท่านก็ไม่ค่อยกังวลกับเรื่องโรคภัยใกล้เจ็บเพราะท่านก็เห็นแล้วว่าร่างกายนี้มันนี่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทันทุกคนนะมันก็มีโรคอยู่สามชนิดเท่านั้นเองที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายก็คือชนิดที่หนึ่ง เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็หายได้ชนิดที่สองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันไม่หายก็ต้องหาวิธีรักษากนไปชนิดที่สามก็เป็นชนิดที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันอยู่กับมันไปจ่ในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายไปท่านไม่ค่อยให้ความสาคัญต่อร่างกายเท่าไหร่ท่านให้ความสาคัญต่อจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นของที่ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจจะอยู่ต่อไปและความสุขความทุกข์ของจิตใจนี้ก็มี น้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายดังนั้นเระตัดระวังในเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายให้เลี้ยงดูในแบบที่ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจก็ต้องเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิดนิมมักน้อยสันโดษเอาเท่าที่จําเป็นมีน้อยๆหาน้อยๆจะได้สบายใจ ้ารต้องใช้มากต้องใช้ของแพงก็ต้องไปหาเงินหาทองมาให้เหนื่อยให้ทุกข์ยากลำบากต่อจิตใจนี่คือเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ของร่างกายอาหารก็ให้ให้เอาของที่ถูกที่สุดแต่ทําหน้าที่ได้เหมือนกับของที่มีราคาแพงเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกัน ใช้เส <ic type> <experiment> ื้อผ้าที่มีราคาถูกที่สุดแต่ก็ทาหน้าที่ได้เหมือนกับเสื้อผ้าที่มีราคาแพงที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันก็อยู่ที่ที่มันถูกที่สุดแต่มันก็ทาหน้าที่ได้เหมือนกับที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงแพที่อยู่อาศัยก็มีไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆครั้งนี้เองจะอยู่บ้านเช่าก็ได้อยู่ห้องเช่าก็ได้ ถ้าไม่มีเงินมีทองต้องไปซื้อบ้านมาอยู่ก็ oh. ไม่มีความจําเป็นเวลาตายไปก็อาบ้านไปไม่ได้อยู่ดี <Okay. S 2> ชาวบ้านก็สบายกว่า <Okay. S 2> ชาวบ้านก็เสียแต่ค่าเชาวบ้านเท่านึงถ้าไปสร้างบ้านก็ต้องไปหาเงินกู้ไปกู้เงินธนาคารแล้วก็ต้องมาเครียดกับการผ่อนผ่อนเงินให้กับธนาคาร <Okay. S 2> แล้วถ้าเกิดช่วงไม่ดีเกิดตกงานขึ้นมา ดีไม่ดีก็ถูกธนาคารเขายึดบ้านไปอยู่ดีฉะนั้นการการใช้เงินเพื่อสร้างบ้านก็ต้องระมัดระวังต้องดูฐานะของเราแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นการไปสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้แก่จิตใจหรือไม่ถ้ามันทำให้เราเครียดเราก็ลดค่าใช้ใจ่ายของการใช้ของของการมีที่อยู่อาศัยลดลงถ้าซื้อบ้านไม่ได้ก็เช่าอยู่ไปก็ได้ บ้านเวลาเรานอนหลับมันไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในบ้านราคาเท่าไหร่มันเวลาหลับขอให้มันเป็นที่เราหลับนอนได้พักผ่อนหลับนอนได้ก็พอแล้วข้อสําคัญขอให้ใจเราไม่ทุกข์เพราะบางทีเราอาจจะซื้อบ้านหรูหราอยู่แต่เวลานอนนี่นอนไม่หลับเพราะใจมาทุกข์กับเรื่องของภาระที่จะต้องคอยผ่อนส่งบ้านที่เราอยู่อาศัย นั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายเรื่องปัจจัยสี่บ้านก็ให้อยู่กันตามฐานะของเราหรืออยู่แบบที่ไม่สร้างความเครียดไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็อยารักษาโรค ก, ก็เหมือนกันโรงพยาบาลก็มีหลายระดับหลายราคาสามสิบบาทรักษาทุกโรค ก, ก็มีหรือจะสามหมื่นรักษาทุกโรค ก, ก็มีแล้วแต่ว่าจะไปรักษาที่ไหน ถ้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนมันก็ราคาเป็นหนึ่งนเป็นแสนถ้ารักษาโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามสิบบาทมันก็เป็นโรคเหมือนกันถ้าหายก็หายเหมือนกันถ้าจะตายก็ตายเหมือนกันอย่าไปคิดว่าเป็นรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วไม่ตายโรงพยาบาลเอกชนก็มีคนตายเยอะแยะไปคนเราเมื่อถึงเวลาตายมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจน จะมีมากมีน้อยอเงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความตายได้แต่อย่างดเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปกังวลกับเรื่องของความตายให้มากเกินไปเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจของเราเราต้องมารเราต้องมาฝุกทัดวิธีปล่อยวางร่างกายเราต้องยอมรับค ว, ความเป็นจริงของร่างกายว่า ร่างกายนี้เมื่อมันแก่เกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เป็นธรรมดาเรื่องพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายไปเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเรามีธรรมะอันนี้คอยสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่ค่อยมาวุนวายกับการเลี้ยงดูร่างกายให้มากจนเกินไป เพราะว่าเรายัางต้องมีภาระที่เราจะต้องมาเลี้ยงดูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่าร่างกายก็คือใจของพวกเราใจของพวกเรานี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญกว่าร่างกายเพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจของเราอยู่ไปเรื่อยๆอที่นั่นจะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การเลี้ยงดูร่างกายของเรา ว่าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบไหนถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบแบบต้องการให้มันอยู่อยู่ไปนานๆอยู่แบบสุขอยู่อย่างสบายอยู่อย่างมีแบบหรูหราแบบรุแบบ่งรวยเงี่ยมันก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจแต่ถ้าเราเลี้ยงมันไปตามมีตามเกิดแล้วก็รู้สภาพความเป็นจริงว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดี ไม่ควรที่จะต้องมาทุกข์มากังวลกับการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงไปแบบสบายสบายใจแล้วใจของเราแล้วเราก็จะได้มีเวลามาเลี้ยงดูใจของเราที่ไม่มีวันตายความสุขต่างๆที่เราหามาให้กับใจนี้มันจะอยู่กู้กับใจไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่เราหามาให้กับร่างกายมันจะสิ้นสุดลงเมื่อร่างกายถึงแก่ความตาย เราจะไม่สามารถเอาความสุขเอาร่างกายไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราไปได้ก็ไปไ ป, ไปกับใจของเราแล้วก็บุญเลือกความสุขที่เรามาทำกันนี้เท่านั้นที่เราจะเอาติดไปกับใจของเราได้หรือความทุกข์ก็อยู่ที่เราว่าขณะที่เราอยู่นี้เราหาความสุขหรือหาให้ความหาความทุกข์ให้กับใจ ถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายมากเกินไปเกินความจำเป็นเราก็อาจจะเอาสร้างความทุกข์มาให้กับใจและความทุกข์นี้มันก็จะติดไปกับใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักรู้จักว่าการเ ล, ลี้ยงดูร่างกายต้องเลี้ยงดูอย่างไรแล้วเราต้องมาศึกษาวิธีเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วยเพราะจิตใจของเราก็ต้องรับการต้องมีการดูแลเหมือนกับ เหมือนกับร่างกายของเราเราไม่สามารถถ้าเราปล่อยให้ใจอยู่ตามยักากรรมนี้ใจของเรานี้ก็จะไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขจะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความวุ่นวายต่างๆเราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีการที่เราจะเลี้ยงดูจิตใจของเราให้อยู่อย่างเป็นสุขเหมือนกับวิธีเลี้ยงดูร่างกาย เราต้องเรียนรู้ร่างกายให้อยู่อย่างเป็นสุขด้วยความมากน้อยสันโดษ<ม>คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือถ้ามันน้อยก็ต้องจําเป็นถ้ามันหาได้น้อยก็ต้องยอมรับมันไปตามมีตามเกิบไปแล้วมันก็จะไม่ทําให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย วิธีที่เราจะเลี้ยงและดูแลจิตใจของเรนี้ก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกันร่างกายต้องการปัจจัยสี่ใจก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของของร่างกายอาหารอาหารของใจคืออะไรเราได้เราได้อาหารับ เราทาเราหาอาหารให้กับใจได้อย่างไรวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความอิ่มได้ไย่างไใจนี่ของเรานี้มักจะหิวอยู่เรื่อยเรื่อยหิวกับสิ่งนั้นหิวกับสิ่งนี้เราต้องหาวิธีทำให้ใจเราไม่หิวสิ่งที่จะทำให้ใจเราไม่หิวก็คือการทำทานนี่ เ, เพราะว่าเวลาที่เราทำทานเสียสละแบ่งปันเงื่จากข้าวของเงินทองส่วนเกินที่เรามีอยู่ ให้กับผู้อื่นไปเพื่อสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของผู้นี่มันจะทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาในใจของเราถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆทำทานอยู่เรื่อยๆนี่เราจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอันนี้แหละคือวิธีให้อาหารกับใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานนี่องและการทำบุญทำทานนี้ จะทํากับใครก็ได้จะให้ใครก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้กับพระภิกษุอย่างเดียวถึงจะได้ถึงจะได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจทํากับบิดามารดาผู้มีพระคุณก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเลี้ยงดูบิดามารดาคอช่วยเหลือเบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เราเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองหรือเวลาของเราให้กับผู้อื่นเนี่ย อันนี้แหละเป็นการให้อาหารกับใจของเราเพราะเวลาเราทําบุญทํากุศลทําความดีแล้วใจของเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วใจของเราก็จะไม่หิวโหยกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจก็คือยาเสพติดของจิตใจอะไรคือยาเสพติดของจิตใจก็คือการหาการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆ เป็นการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวการไปดูละครดูมหมอรับศพบันเทิงต่างๆหรือการไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆความสุขเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดมันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอมันจะทำให้เกิดความหิวมีความอยากเสพมันอยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราไม่สามารถที่จะไปเสพได้ ภัยหามันมาเสพได้มันก็จะเป็นทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดทำให้เรารู้สึกมีความรู้สึกซึมเศร้าเศร้าส้อยง่อยเหงายึงไม่ควรที่จะใช้สิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขความอิ่มกับใจเพราะมันไม่ให้มันไม่ให้ความอิ่มความสุขกับใจความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชื่วควันไฟเหมือนควันไฟเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุข เวลาไปเที่ยวกันก็มีความสุขพอหลังจากกลับมาไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปหมดปล่อยให้เราอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปล่อยให้เราอยู่กับความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่อีก้ไปเที่ยวกี่ครั้งกี่รอบมันก็ได้ผลเท่ากันไม่เคยได้ความอิ่มความพอเลยไม่เหมือนกับการทาบุญทาทานนี่ ทุกครั้งที่เราทําบุญทําทางนี้เราจะเกิดความรู้สึกอเอ็นเออกใจเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ใจเราไม่ค่อยหิวโหวยกับการไปหาความสุขจากยาเสพติดต่างๆไม่ไม่หิวโหวยกับการไปเที่ยว<ม>ไปดูละครไปชมภาพยนตร์หรือการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆ<ม>เราก็จะอยู่เฉยๆย่างมีความสุขได้ อันนี้แหละคืออาหารของใจทุกวันนี้พวกเราให้อาหารกับใจน้อยเกินไปมันถึงทำให้เราหิวกันแล้วแทนที่เราจะอ า, าอาหารมาให้ใจเพื่อให้มันอิ่มเรากลับไปหายาเสพติดมาให้กับใจเช่นเวลาเราอยู่อยู่บ้านเฉยๆแล้วรู้สึกเหงาเนี่ยแทนที่เราจะไปทำบุญกันเราก็กลับไปเที่ยวกันไปเที่ยวเพื่อไปแก้เหงาหิวเราไม่มีความสุขกับการอยู่บ้าน เราไม่มีความอิม่มความพอเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราก็จ ะ, <S <S จะมีความสุขมีความอิม่มความพอกันแต่เราไปเที่ยวมันก็มีความสุขเดียวเดียวพอหลังจากกลับมาเที่ยวแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หมดไปความรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกขาดอะไรรู้สึกหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ยังมีอยู่ต่อไปแต่ถ้าเราไปทาบุญทาทานนี่ เวลานัดเราได้ทําแล้วใจเราจะรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายรู้สึกมีความสุขเราไม่รู้สึกหิวอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้สึกเศร้าสร้อยงอยหเหงาแต่อย่างใด ถ, ถ้าเราถ้าเราเกิดความเศร้าสร้อยงอยหเหงาก็ควรไปทําบุญเพราะว่าเราสแสดงว่าเรายังให้อาหารกับใจยังไม่พอเราก็ควรทําบุญไปเรื่อยๆถ้าเรามีกําลังที่จะทําได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะทําบุญ เราก็สามารถทำบุญด้วยวิธีอื่นได้เช่นไปช่วยเหลือผู้อื่นไปทำคุณทำประโยชน์ด้วยการใช้ร่างกายของเราหรือด้วยการใช้ความรู้ความสามารถของเราไปทำงานเป็นจิตอาสาไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้มันก็จะทาให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอย่างนี้แหละคืออาหารของใจถ้าเราอยากจะมีความสุขใจอิ่มใจ ขอให้เราทำบุญทำทานทำความดีต่างๆแล้วเราอย่าไปหวังผลตอบแทนจากการทาบุญทากุศลจากใครอย่าไปหวังให้เขาต้องมาขอบใจเราหรือให้เขามาชื่นชมยนดีให้รางวี่รางวัลอะไรกับเราเพราะถ้าเราไปหวังอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำบุญมันเหมือนกับการไปซื้อข้าวของไปการเป็นเป็นการไปแลกเปลี่ยนสินค้ากัน เช่นเราไปร้านค้าเราก็เอาเงินให้เขาเขาก็ให้สินค้ากับเรากลับมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทําทานการทำบุญทาทานนี้เราให้เปล่าเราไม่ต้องการอะไรเป็นเป็นของตอบแทนเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากการทำบุญนี้มันมีคุณค่ามากกว่าของตอบแทนที่เราจะได้รับจากผู้อื่นก็คือความอิ่มใจสุขใจความภูมิใจที่เราได้ทาความดีได้เสียสละแบ่งปัน ประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้นะี่แหละวิธีที่จะทำให้เรามีจิตใจของเรามีความความอิ่มอยู่เรื่อยๆก็คือการทำบุญทำทานใจจะไม่หิวโหวยจใจจะไม่อยากได้ของหรูหราของฟุ่มเฟือยต่างๆใจจะไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวไหนถ้าจะไปเที่ยวไหนก็ไปทำบุญนี้เลือกไปทำบุญมีกว่าทาบุญแล้วมีความสุขมากกว่า อิ่มกว่าสบายกว่าแล้ว mm hmm. นอกจากความสุขที่ได้รับความอิ่มที่ได้รับในปัจจุบันแล้วบุญนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ mm hmm. บุญนี่แหละจะเป็นอาหารอาหารทิพของเราต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจนี้แหละจะอาศัยบุญนี้ให้อยู่ในโลกทิพย์อย่างมีความสุขใจที่มีความสุขในโลกทิพย์ก็เรียกว่า ก็เรียกว่าสวรรค์นั่นเองมีสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับบุญที่ทําว่าทํามากทําน้อยถ้าได้ทําบุญมากก็จะได้อยู่สวรรค์ที่มีความสุขมากขึ้นป่าสวรรค์ชั้นต่ำสวรรคชั้นต่ําถ้าทําบุญน้อยก็มีความสุขน้อยแต่ก็มีความสุขเหมือนกันอันนี้เป็นอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการทําบุญเพื่อใจของเราที่ยังอยู่ต่อไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราอยู่ต่อไปใจอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสุขก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำนี่แหละถ้าเราทำบุญน้อยหรือทาบุญไม่มากเราก็จะอยู่แบบขอทานอยู่แบบหิวโหวยพวกที่เราคอยอุทิศบุญให้นี่แหละเป็นพวกที่เวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่พอเวลาเขาตายไปร่างกายตายไป ใจของเขาก็หิวโหวยหิวโหวยกับสิ่ ง, งตา่างๆก็เลยจะไม่ต้องมารบกวนญาติพี่น้องคนที่มีชีวิตอยู่บางทีก็มาเข้าฝันมาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของญาติพี่น้องคนที่รู้จักกันก็ต้องทําบุญแล้วก็อุทิศบุญส่งบุญไปให้กับเขาแต่สำหรับพวกที่ทําบุญอยู่เป็นประจําเป็นปกติเป็นนิสัยนี้จะมีบุญติดตัวไปมาก จะไม่หิวโหยจะไม่เดือดร้อนจะไม่ต้องมาบรบกวนผู้ที่มีชีวิตอยู่ให้เขาช่วยส่งบุญไปให้เพราะเขาจะไปอยู่เป็นเป็นแบบเป็นเทวดานี่ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ น, นี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งของของศีลเอของของจิตใจก็คืออาหารของใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทาทานข้อที่สองปัจจัยข้อที่สองของใจคืออะไร ใจก็คือเครื่องนุ่งห่มของใจใจก็เหมือนร่างกายต้องมีเครื่องนุ่งหม่มไว้ป้องกันภัยของใจ hmm. ภัยของใจคืออะไรใจภัยของใจก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปนี่เวลาใจทำบาปแล้วนะใจจะทุกข์ใจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ hmm. แต่ถ้าใจมีเครื่องนุ่งหม่มคือศีล hmm. ถ้ามีรักษาศีลไว้ได้ การกระทำบาปก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีการกระทำบาปความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมาอันนี้ภัยที่จะเกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วยังมีภัยที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วด้วยเพราะว่าถ้าใจคอยทำบาปอยู่เรื่อยๆเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดอยู่เรื่อยนี่ใจจะสะสมบาปไว้ในใจ ที่จะมาทำลายมาสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการจะส่งใจให้ไปรับโทษในอบายถ้าจะไปเกิดก็ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ายังไม่ได้เกิดก็จะไปอยู่เป็นเปรตบ้างเป็นนกสุนทรกายบ้างหรือไปตกนรกบ้างนี่คือทำรับใจที่ไม่มีศีลไม่มีเครื่องนุ่งหง่ไมไว้ปกป้อง แต่ถ้าใจสามารถรักษาศีลห้าได้ใจจะมีเครื่องนุ่งห่มมีเครื่องที่ปกป้องร่างกายปกป้องจิตใจไม่ให้ไปตกตกไปในอบายนั่นเองผู้ที่ไม่ทำบาปนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ผู้ที่ทำบาปนี้เมื่อถึงเวลาตายไปถ้าบาปที่ทำนี้มันมีมากกว่า บ, บุญที่ทำบาปจะเป็นผู้ที่จะดึงดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในอบาย ก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายก่อนเป็นความบาปที่ทำไว้มันจะหมดกำลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้นี่เกิดสิ่งที่เป็นเหมือนกับเครื่องป้องกันภัยให้กับใจคือคือความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาป สังเกตดูเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะมีความรู้สึกไม่สบายนั่นแหละความไม่สบายก็คือความทุกข์ใจแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีความทุกข์ใจไม่สบายใจแล้วก็อาจจะมีความวิตกกังวลเพราะว่าบางทีบาปที่เราทำนี่มันก็มีโทษที่เราจะอาจจะต้องไปใช้ก็ได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เช่นถ้าเราทำบาปที่มันเป็นผิดกฎหมาย ก็เขจะมีตำรวจเจ้าหน้าที่มาคอยตามจับเราไปลงโทษจับเราไปขังคุกขังตารางหรือไปประหารชีวิตก็ได้ถ้าบาปที่เราทำมันหนักมันก็อาจจะถึงได้รับโทษถึงกับการประหารชีวิตมันก็จะสร้างความวิตกสร้างความเครียดสร้างความหวาดกลัวให้กับเราเวลาที่เราทำบาปแล้วเราก็ต้องคอยหลบซ่อนคอยคอยไม่ให้เจ้าหน้าที่มาตามจับเราไปลงโทษนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้วเรามเราเราีเรามีเสื้อผ้าอภรรตของใจคือเรามีศีลศีลไม่ป้องกันก็จะไม่มีอะไรมาทำทำให้ใจเราทุกข์ได้เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเราไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายเราก็จะไม่มีความหวาดวิตกหวาดกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษตายไปเราก็ไม่น้องกลัวว่าเราจะไปเกิดในอาบาย เพราะถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้วมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะมาดึงให้เราไปเกิดในอบายไปติดทุกข์ของของโลกโลกทิพย์อบายก็คือทิพย์ก็คือคุกตารางของโลกทิพย์นี่คือการไปอยู่เป็นเปรตเป็นนศรกายแล้วไปตกนรกถ้ากลับมาเกิดเป็นถ้าจะมาเกิดในโลกนี้ก็มาเกิดเป็นสัตว์ในราจฉานแทนนี่คือเครื่องนุ่งห่มของใจ ถ้าเราต้องการที่จะมีเครื่องนุ่งหง่มไว้ปกปิดป้องกันร่าง<ม>ปกปิดจิตใจของเราไม่ให้ไปถูกภัยต่างๆมาคุกคามเช่นอบาย<ม>หรือความทุกข์ใจความวิตกกังวลความความหวาดระแวงต่างๆขอให้เราอย่าไปทาบาป ก, กัน<ม>รักษาศีลห้าให้ดีแล้วใจของเราก็จะได้มีเครื่องคุ้มครองใจไม่ให้ต้องไป ถูกภัยของอบายมาคุกคามหรือถูกถูกความทุกข์ต่างๆมาคุกคามใจของเรา mm hmm. นอกจากเป็นศีล น, นอกจากเป็นเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยแล้วศีลยังเป็นตัวที่เสริมสวยความงามให้กับใจด้วย mm hmm. คนเราจะสวยหรือไม่สวยที่ทจรินี้มันสวยที่ใจมากกว่าสวยที่ร่างกายความสวยงามของร่างกายมันเป็นความสวยงามเพียงชั่วคราว mm hmm. หรือเป็นเพียงชั่วขณะที่ได้ได้พบได้เห็นอย่านั้นเองถ้าเราพบเห็นคนที่สวยงามเราอาจจะรักจะชอบเขาแต่ถ้าใจเขาไม่สวยงามใจเขาไม่มีศีลเวลาเราไปอยู่กับเขาเราก็จะรู้ใจของเขาตอน ต, ต้นเราอาจจะไม่รู้เพราะเราเห็นเพียงแต่ส่วนร่างกายของเขาเราเห็นร่างกายของเขาดูแล้วสวยงามน่ารักเราก็อยากจะอยู่กับเขาแต่พอเราไปอยู่กับเขาแล้วไปพบว่าเขาไม่เป็นคนไม่มีศีล เป็นคนที่ชอบโกหกชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดประเพณีชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอเราไปเห็นส่วนความไม่สวยงามของใจเขาแล้วบางทีเราก็อยู่กับเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะจะสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าใจไม่สวยแล้วอยู่กันยากคนเหล่านี้ไม่อยากจะอยู่กับคนที่ไม่สวยงามทางด้านจิตใจจิตใจมีความสวยงามของของด้านจิตใจยิงเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า ความสวยงามของทางร่างกายถ้าเรารักษาศีลห้าได้นี่เราจะเป็นคนสวยงามอยู่กับใครก็มีแต่คนรักคนชอบไม่มีใครอยากที่จ ะ, ะหนีจากเราไปไปอยู่กับใครเขาก็ยินดีต้อนรับไม่คอยสาบแช่งไม่คอยขอร้องให้ไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าคนที่มีศีลนี่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองต่างกับคนที่ไม่มีศีลนี่ไปอยู่กับใครนีนก็มักจะไปสร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้การมีศีลนี้ก็ถึงถือว่าเป็นการมีเสื้อผ้าภรที่สวยงามไว้สวนใส่ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องนุ่งห่มที่ป้องกันภัยที่จะมาคุกคามจิตใจไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่มาดึงใจให้ไปตกอยู่ในอบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่ก็คือเรื่องของปัจจัยข้อที่สองของใจที่เราคนจะมาสร้างกันควรจะรักษาศีลกันให้ได้ศีลห้าเ น, นี่ย ห้าข้อนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปวด่วนแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆเพราะของมึนเมานี้ถึงแม้จะไม่เป็นการกระทําบาปโดยตรงก็ตามแต่ถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันจะทําให้เราขาดสติขาดการยับยั้งชัง่งตวงเวลาเกิดอารมณ์ที่อยากจะทําไม่ดีมันก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งมันถ้าเรามีสติพอเราคิดจะทําบาปนี้เราก็ เราก็จะหยุดมันได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเวลาเราเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วเวลาเราคิดจะทำบาปเราก็จะทำโดยที่ไม่มีอะไรมายับยัง้งเราดนั้นก็เลยต้อ ง, ต, องต้องห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมาด้วยเพราะถ้าดื่มถ้าดื่มแล้วเมาแล้วการที่จะห้ามใจไม่ให้ไปทำบาปนี้ก็จะยากจะไม่มีก็จะไปทำบาปได้ง่ายให้รักษาสิลห้าไปท่านี้ห้าข้อไม่ใช่เป็นของยากลาบากอะไร การนั่งเฉยๆอย่างนี้ก็มีศีลแล้วเนีย่ยตอนนี้ญาติโยมทั้งหลายมีศินห้าบริบูรณ์ในขณะนี้เพราะตอนนี้ไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ตบยุงไม่ได้ไปตบมดนะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ไปเอาทรัพย์ของผู้มาไม่ได้ไปประพฤติผิดประเพณีไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใครอันนี้แหละการอยู่เฉยๆนี่ก็ถือว่ามีศีนลนะ แล้วก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับใครงนั้นการรักษาศีลไม่ใช่เป็นของยากการทำบาปนี้มันจะยากกว่ายิ่งกว่าการรักษาศีลรักษาศีลก็อยู่เฉยๆอย่างนี้ก็มีศีลละเวลาทำบาปนี้มันต้องไปวางแผนและจะไปฆ่าใครจะไปจ้างใครดีถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้จะใช้อาวุธอะไรดีใช้ยาพิษดีหรือว่าใช้ระเบิดดีหรือใช้ปืนดี ก็ต้องไปหาของว่ไปหาเครื่องมือมาว่าเพื่อที่จะไปฆ่าเขาเวลาจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ต้องไปดูไปสังเกตการก่อนแนละ้วว่าบ้านนี้มีทรัพย์มากน้อยเพียงไรมีใครอยู่หรือไม่ตอนไหนเวลาใดกว่าจะทําบาปได้มันนี่มันต้องเหนื่อยมันต้องใช้ความคิดวางแผนนั้นทําไมเร า, เราถึงไปทําบาปกันของง่ายๆกับไม่ทําการไม่ทําบาปมันง่ายกว่าให้อยู่เฉยๆเท่านั้นเองเวลาคิดจะทําบาปก็ไม่ทําแค่นี้ก็จบ น, นี่คือเรื่องของเสื้อผ้าผรอนทองใจที่เราควรจะมีกันแล้ข้อที่สามปัจจัยข้อที่สามก็คือที่อยู่ อ, อาศัยของใจอะไรคือที่อยู่ อ, อาศัยของใจที่พักผ่อนที่ทำให้ใจปลอดภัยจากความวุ่นวายใจต่างๆแล้ว างบ้านบ้านที่อยู่อาศัยของร่างกายก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีภัยเข้าไปคุกคามเวลาเราอยู่ในบ้านเราจะรู้สึกปลอดภัยเรารู้ว่าไม่มีใครจะมาทำร้ายเราได้ฉะนั้นใใจของเราก็มีเรื่องราวต่างๆมีความทุกข์ต่างๆที่มาคอยคุกคามใจเราอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถเข้าสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เข้าบ้านของใจได้ เวลาเข้าไปในสมาธิรับความทุกข์ต่างๆมันก็จะตามเข้าไปไม่ได้ถ้าเรามาฝึกสมาธิกันก็ถือว่าเรากำลังมาสร้างบ้านให้กับใจสร้างที่หลบภัยถ้าเรานั่งสมาธิเป็นทําใจให้สงบได้ต่อไปเวลาที่เรามีความเศร้าใจมีความทุกข์ใจมีความเครียดเราก็เพียงแต่เข้าไปนั่งสมาธิเท่านั้นองนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราทุกข์ใจที่ทําให้เราเครียด พอเรื่องราวต่างๆเราไม่ไปคิดถึงมันใจเราสงบนิ่งใจเราก็จะเกิดความเย็นเกิดความสบายขึ้นมานี่แหละคื อ, คอที่หลบภัยของใจที่อยู่อาศัยของใจที่พวกเรายัางไม่ได้ยังไม่มีกันเพราะว่ามันของที่เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาเองเราไม่สามารถเอาเงินไปซื้อบ้านได้เหมือนกับซื้อบ้านของร่างกายได้บ้านของใจนี้เราต้องสร้างเอง วิธีเราจะสร้างบ้านของใจนี้เราต้องต้อ ง, องสร้างด้วยสติเราต้องพยายามฝึกให้มีสติอยู่เรื่อยๆคำว่าสติคืออะไรก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาเช่นให้เราเลอกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธทำไมเราต้องระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเพราะถ้าเราบริกรรมพุทโธอยู่กับพุทโธไปเรื่อย ใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นั่นเองเมื่อไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งสงบใจเราก็จะเป็นสมาธิขึ้นอันนี้แหละคือคือสิ่งที่เราต้องต้องมีกันถ้าเราอยากจะมีสมาธิก็คือเราต้องขยันเจริญสติอยู่เรื่อยๆการเจริญสตินี้เราสามารถทําได้ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดเวลาใด ถ้าเราอยากจะรียสติเราก็เพียงแต่เราลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อคิดเพ้อฝันโดยถึงเรื่องราวต่างๆเพราะคิดไปแล้วบางทีก็จะทําให้เกิดความเศร้าใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ให้เราพยายามคอยควบคุมความคิดต่างๆเวลาที่เราไม่จําเป็นจะต้องคิด ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดต่างๆที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าเรายัางจําเป็นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องอะไรที่สําคัญอยู่ก็ปล่อยคิดไปได้แต่เวลาใดที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดมาฝึกสติหยุดหยุดความคิดไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกสติไว้ก่อนเวลาเราจะมานั่งสมาธินี้เราจะนั่งไม่ได้เพราะเวลานั่งแล้วถ้าความคิดของเรายังคิดอยู่ อยู่เรื่อยๆคิดอยู่มากอย่างนี้มันจะทําทให้รู้สึกอึดอัดนั่งไม่ได้รู้สึกแล้วนั่งมันจะทรมานแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดมากคิดบ้างแต่คิดไม่มากเวลามานั่งนี้มันจะไม่รู้สึกอึดอัดมันจะทําทให้เราสามารถนั่งพุโทโธพุโทโธไปจนกระทั่งทําใจให้นิ่งให้สงบได้ <S S S การนั่งสมาธินี้ต้องมีสติมาก่อนต้องสร้างสติเอาไว้ก่อน ไม่ใช่มาสร้างสติตอนที่เวลามานั่งเพราะถ้ามาสร้างสติเวลามานั่งนี้มันจะไม่มีกําลังพอที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบได้มันจะไม่สามารถระงับความฟุ้งซ่านต่างๆได้คนที่ไม่เคยฝึกสติมาก่อนเวลามานั่งนี่จะรู้ว่านั่งแล้วมันอบมันหยุดความคิดไม่ได้ไมันคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆคิดไปคิดมาแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกอึดอัดไม่อยากจะนั่งต่อไป ดังนั้นถ้าอยากจะนั่งให้มีความสงบอยากจะมีบ้านข อ, ของใจเราต้องใช้เราต้องต้องหาสติมาให้มากๆต้องสร้างสติก่อนต้องพยายามเจริญสติให้มากๆก่อนเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ดงนั้นต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงเช้าตอนที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี้ยเป็นช่วงที่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครตอนนี้นาเป็นเวลาที่ฝึกสติได้ดี เดินตาขึ้นมาก็เริ่มท่องพุทโธพุทโธไปในใจลุก ข, ขึ้นมาจากเตียงจะไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีเท้าหวีผมทําอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวในเวลานั้นเราก็จเจริญสติควบคู่ไปได้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยแต่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็จะมีสติและเราอาจจะสามารถทําต่อไปได้ถึงแม้เวลามาทํางานหรือว่า เดินทางไปทำงานเราก็ยังสามารถพุโทโธพุโทโธได้ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเราไม่ต้องยุ่งกับใครก็<ม>จะเริญนพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าใจเราเบาใจเราเย็นใจเราว่างใจเราสบายแล้วพอเวลาเรามีเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบงา่าย<ม>บางครั้งนั่งไม่นานห้านาทีสินาทีใจก็นิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้าเราทาสมาธิได้แล้วต่อไป เวลาที่เราเกิดความทุกข์เกิดความเครียดต่างๆเราก็ไปนั่งสมาธิเท่านั้นเองนั่งสมาธิแั๊บเดียวเดี๋ยวเดีย ว, ยวความทุกข์ความเครียดต่างๆก็หายไปเพียงแต่ว่ามันหายไปแบบชั่วคราวหายไปในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วมันก็ยังอาจจะเครดขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะแจก้ความเครียดหลังจากที่เราเออกจากสมาธิมาแล้วนีน้เราก็ต้องมีปัจจัยข้อที่สี่ ก็คือเราต้องมียารักษาโรคใจเพราะความเครียดนี่แหละก็คือโรคของใจก็คือความเครียดแล้วเราไม่สามารถใช้สมาธิดับความเครียดได้อย่างถาวรวิธีที่จะทำลายความเครียดให้หมดไปจากใจได้นี้เราต้องมียารักษามีธรรมโอษฐ์ธรร ม, รรมโอสถที่จะมารักษาความเครียดของใจก็คือปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความรู้ว่า เหตุของความเครียดเกิดจากอะไรและวิธีที่จะทําให้ความเครียดนี้หมดไปทําได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงค้นเพราะว่าความเครียดต่างๆของเราความทุกข์ต่างๆของเราเกิดจากความอยากของเรานี่ไม่ได้เกิดจากใคร mm hmm. เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่มันก็สร้างความเครียดให้กับเราเวลาเราเห็นความแก่เราก็จะทุกข์ขึ้นมา เพราะเราไม่อยากแก่ เ, เวลาเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเห็นคนตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากตาย <subject> Luke, แต่ถ้าเราอยากจะไม่เครียดกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องมองความจรงิ <genuine> จรงความจริงคืออะไรความจริงของร่างกายว่ามันเป็นของที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่มีร่างกายของใครที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีไหม เราก็จะมองเห็นว่าไม่มีร่างกายของใครที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความจริงเป็นของที่เราต้องยอมรับกันถ้าเรายอมรับว่าออร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆไปเครียดไ ป, ปเปล่าๆ so ยอมรับความจริงดีกว่ายอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตาย นี่คือปัญญายอมรับความจริงของชีวิตเพราะชีวิตของพวกเราทุกคนนี้มันนี่เป็นของชั่วข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ก็เป็นของชั่วข่าวสมบัติชั่วข่าวรับสมบัติเจ้าของเงินทองก็เป็นของชั่วข่าวสามีภรรยาบุตรธิดาก็เป็นของชั่วข่าวไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเรายอมรับความจริงไม่ไปฝืนความจริงไม่ไปอยากให้ไม่ไม่สูญเสีย ไม่อยากให้เราต้องพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบเวลาเราเกิดการพัดภาคจากกาันเราจะไม่กมีความเข้าใจไม่มีความเสียใจไม่มีความเครียดแต่อย่างใดนี่แหละคือยารักษาโรคของใจคือปัญญาเราต้องพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาอยู่ร่วมกันแล้วไม่ช้าก็ เ, เราต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา เราไม่สามารถจะอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปเพราะว่าความบางที่ความอยากของเรามันไม่เป็นมันไปขัดกับความเป็นจริงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรือไม่อยากยากจนไม่อยากให้คนนั้นคนนี้ว่าเราอย่างเงี้ยมันก็ห้ามเขาไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้มันมันเราต้องรู้จักว่า สิ่งไหนเราทําได้อยากได้ก็อยากไปสิ่งไหนที่เราอยากไม่ได้แล้วอยากก็ทําให้เราเครียดก็ต้องหยุดความอยากไป PROF. ด้วยการยอมรับความจริงถ้าเราฝึกฝนสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับหรือไปห้ามมันได้มันจะเปลี่ยนก็ต้องยอมรับมันจะเป็นอะไรก็รต้องยอมรับถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่ทุกข์กันนัเราก็จะมียารักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ ใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็คือปัจจัยสี่ของใจก็คืออาหารอาหารคือการทำบุญทำทานเครื่องนู่ห่มก็คือการรักษาสีห้าแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็คือสมาธิส่วนยารักษาโรค ก, ก็คือปัญญาต้องให้เห็นปลายลักเห็นอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตายอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตแล้วใจเราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์กับอะไร ถ้าเรามีทั้งปัจจัยทั้งสองส่วนครบบริบูรณ์ร่างกายก็อยู่อย่างมีความสุขใจก็จะมีอยู่อย่างมีความสุขไปจนถึงวันสุดท้ายของร่างกายส่วนใจก็จะอยู่สุขต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาแล้นนำเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปูราปริเปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิยุจิตังปฏิตังตุมห um ังคิดเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวะโสยะถามณิโชติ ภราสุยถาสัพพิติโยวิวาชนตุสัพพโลกวินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยปภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขัง พาลา่าช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่สะดวกกเ็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook 498 YouTube พรสุชาติ Live 394 YouTube ด r V 56วิทยุออนไลน์8ครับ House 4หน้ากุติ131รวม 1,091 ค่ะคมีคําถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะมีคนบอกข้าพระเจ้าว่า การที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีลูกได้ถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งเนื่องจากต้องแก่ตายอย่างโดดเดี่ยวไม่มีคนดูแลข้าพเจ้าสามารถทําบุญเพื่อแก้ไขกรรมตรงนี้เพื่อที่จะสามารถมีลูกได้หรือไม่คะหรือควรปรงต่อโชคชะตาคะการไม่มีลูกก็ดีนะไม่ต้องเลี้ยงดูมันให้เหนื่อยอย่าไปหวังว่ามันจะมาเลี้ยงดูเราเลยสมยัยนี้มีลูกเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วกี่คนนะ งั้นอย่าไป ม, มีดีแล้วพึ่งตัวเองดีกว่าหาเงินเก็บเงินเก็บทองไว้ในธนาคารแล้วก็สบายใจกว่างั้อย่าไป ม, มีดีที่สุดมีแล้วเป็นกรรมต้องใช้หนี้ค อ, อยังเลี้ยงมันโตขึ้นมาให้สมดเงินสมุดทองไปเท่าไหร่งั้นคนที่ไม่มีน่ะถือว่ามีบุญไม่ใช่มีกรรมนตอนนี้น้องสาวคบเพศเดียวกันแต่พ่อแม่รับไม่ได้เป็นทุกข์หนัก อยากให้เลิกแต่น้องสาวไม่เลิกคบข้าพเจ้าในฐานะลูกอีกคนจะช่วยให้สถานการณ์ในครอบครัวดีขึ้นได้อย่างไรคะเราก็ทำเหมือนน้องเขาเลคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคนซึ่งคนอื่นไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวในชะ่ไหมใครก็จะชอบอะไรเขาจะชอบก้มโอหรือชอบแตงโมมันก็เรื่องของเขาสำห <c oughs> รับไปอยากให้เขาไม่ชอบตงโมนี่มันก็ไปผืนใจเขาอีกเขาก็ทําไม่ได้ งั้นอย่าไปบังคับใจคนนะครับอันนี้เป็นความผิดของพ่อแม่เองพ่อแม่ไปไปอยากจะไปบังคับให้ลูกทำตามใจของตนเองมันก็ทำให้ตัวเองทุกข์ะไม่ใช่ใครทุกข์หรอกความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้งั้นอย่าไปอยากเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เขายัางต้องครบของเขาเขายัางชอบของเขาแบบนี้อยู่ก็ปล่อยเขาไปเท่านั้นเองเราไปเกี่ยวข้งของกับเขาทาไม เราเลี้ยงเข้ามาเพื่อให้เขามีความสุขไม่ใช่เลยแล้วถ้าความสุขของเขาเป็นการไปชอบคนเพศเดียวกันมันเสียหายตรงไห น, นใช่ไหมมันก็ไม่มีความเสียหายตรงไห น, นมันเพียงแต่เป็นความรู้สึกนึกคิดของเราว่ามันไม่ดีแต่ทางจริงๆมันไม่ดีตรงไห น, นเขาก็เป็นคนเหมือนกันคนเพศหญิงเพศชายมันก็เป็นหญิงเป็นชายมันก็เป็นคนเหมือนกันเขาจะรักการชอบกันมันก็เป็นเรื่องของเข า, ขข อ, เขาอันนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยให้พ่อแม่เขาทุกไป ลูกก็จะทําอะไรก็ทําไป น, นี้ไม่ถือว่าเป็นการในละคนไม่มีอะไรข่าวคําไม่ไม่ได้ขาดความเคารพอะไรอันนี้เป็นเรื่องของของจิตใจของแต่ละคนที่ควรจะเป็นอิสระที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนอย่างพ่อของพระพุทธเจ้า ก, ก็เทศกับพระพุทธเจ้าเพราพระพุทธเจ้าไปบวชแต่พ่อไม่อยากให้บวชอยากให้อยู่เป็นกษัตริย์จะได้เป็นมหาจากกักรพรรดิพระุทธเจ้า ก, ก็ไปเช่นะไปบวช ดัง้นบางทีบางเรื่องมันที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความผิดถูกดีชั่วมันเป็นเรื่องของทัศนคติของของความพอใจนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความคิดของคนอื่นถ้าเราทําไปแล้วไม่ทําให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนต่อใครเวลานั่งสมาธิแล้วง่วงนอนต้องทําอย่างไรนอนหรือหาทางแก้ไม่ให้ง่วง และเกิดอาการชาตะคิวต้องทําอย่างไรขยับตัวเปลี่ยนท่าหรือทนคะเถ้าง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินค่ะเดินโตเดินจงกรมเดินสมาธิแทนนั่งสมาธิถ้ายัางไม่หายก็ข่าหน่าก็อย่า ก, กินมากกินให้น้อยอย่า ก, กินมากตอนก่อนที่มานั่งสมาธิกินมื้อเดียวกินตอนเช้าแล้วตอนเย็นนั่งสมาธิจะไม่ง่วงเวลานั่งนี้ถ้าเจ็บ ถ้ามันทนไม่ไหวก็ต้องขยับก็ขยับไปก็แสดงว่าเราไปได้แค่ถึงจุดนั้นถ้าเราอยากจะไปไกลกว่า น, นั้นเราก็ต้องทนนั่งต่อไปโดยไม่ไม่ขยับร่างกายแล้วถ้าใจเราฝืนได้บางไม่เดือดร้อนกับมันเราก็จะเราก็จะไปไกลกว่าที่เราไปถึงจุดที่ตรงนั้นเอเป้าหมายที่แท้จริงการ น, นั่นก็คือให้เราชนะความความอยากไม่เจ็บนั่นเอง<ม>ใจของเรานี่ยอยากจะไม่เจ็บเพราไปเจอความเจ็บมันก็เลยทุกข์ทนไม่ได้ ถ้าเราเพราะว่าต่อไปข้างหน้าเราต้องเจ็บไา้ได้ป่วยยังไงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรายังอยากไม่เจ็บอยู่เราก็จะทุกขทรมานใจแต่ถ้าเราฝึกใช้ใจของเรายอมรับความเจ็บให้ได้หยุดความอยากไม่เจ็บให้ได้อยู่กับมันไปต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไม่เดือดร้อน สมัยเด็กเวลาทําบุญไม่ได้อธิษฐานขอพรผู้ใหญ่บอกว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานด้วยแล้วอธิษฐานบารมีคืออะไรคะความจริงอธิษฐานนี่มันไม่ได้แปลว่าขอนีมันแปลว่าทําตั้งใจตั้งใจจะทําทบุญนี่ต่อไปนี้ข้าวเจ้ า, จ, าจะขอทําบุญทุกวันอย่างเงี้ยเรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่ว่าอธิษฐานว่าขอให้ได้บุญนีไ้ไปพาเราไปสวรรค์ได้ไปอะไรอย่างนี้ผลไม่ต้องไปขอเข้าใจไหมทําอะไรผลมันตามมาโดยอัตโนมัติ ถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ได้นจะขอไม่ขอมันก็ไปสวรรค์อยู่ที่ทำหรือไม่ทํางั้นถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ขอให้ทําบ่อยๆทําเยอะๆคําถามฝากถามค่ะทําไมข้าพเจ้าถึงผิดหวังกับความรักทุกครั้งเลยเจ้าคะอย่างเช่นครั้งนี้ฝ่ายชายทําให้เรารู้อย่างชัดเจนว่าเขานั้นรักและมีใจต่อข้าพเจ้าอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ได้คิดไปเอง ทุกคนล้วนมองเห็นพฤติกรรมและการกระทำของฝ่ายชายแต่ข้าพเจ้าได้รู้ความจริงอย่างแจ่มชัดเนื่องมาจากผู้ชายได้ลืมมือถือไว้ข้าพเจ้าจะแก้ไขข้อกรรมตรงนี้อย่างไรคะก็อย่าไปมีคู่เลยสิคนเดียวก็จะไม่ผิดหวังถ้าใครมีคู่แล้วต้องผิดหวังทุกคนอะ่ะผิดหวังมากผิดหวังน้อยเพราะทุกคนที่เราได้มาเขาจะต้องเปลี่ยนไปเวลาใหม่ๆเขาก็ดีกับเราทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้า พออยู่กันไปสักพักแล้วมันก็เป็นคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีใครสมหวังทุกคนหรอกทุกคนที่มีคู่ต้องต้องผิดหวังด้วยกันทนะั้งแต่ว่าเขาจะยอมรับได้หรือไม่ใช่ถ้าเขายอมรับก็ทนอยู่ด้วยกันไปการที่จะให้สมหวังแล้วไม่มีการผิดหวังนี้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามีคู่ mm hmm. ถ้าไม่อยากจะผิดหวังก็อย่าไปมีคู่เท่านั้นเองอยู่แบบเราเน้นจะไม่ผิดหวัง mm hmm. ไม่มีใครมาทำให้เราผิดหวังได้เพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากใครคำถามจากคุณชมพูนุชค่ะจะวางใจอย่างไรเมื่อลูกเลือกครูครองที่ไม่เหมาะสมก็เปลี่ยนได้ก็ลือกยากันได้เลิกกันได้ไม่เห็นจาเป็นจะต้องอยู่กันไปด้วยกันจนวันตายถ้ามันไม่เข้ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความงจบอยู่ด้วยกันไปทำไมก็ต้องแยกทางกันไปเพื่าวิทยาก็ให้มันแยกแบบเป็นมิตรกันก็แล้วกัน อยาเป็นสัตรูอาคาตพยายามจองเวียนจองกคำเกันคำถามจากคุณหนึ่งค่ะทุกครั้งที่เกิดความเครียดจากการทํางานเรามักใช้วิธีหาอาหารอร่อยกินบ่มการคิดที่ว่ากินเพื่อบําบัดความเครียดซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่วิธีที่ถูกต้องกราบขอปัญญาชี้แนะแนวทางการออกจากความเครียดที่ถูกต้องค่ะก็มีสองวิธีวิธีของสมาธิจะนั่งสมาธิเป็นเวลาเครียดแล้วก็ไปนั่งสมาธิกัน พอใจสงบความเพียรก็จะหายไปชั่วคราวถ้าเราอยากจะวิธีรักษาความเพียดให้หายอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงเรื่องที่ทําให้เราเพียดว่าเกิดจากอะไรนั่นก็เกิดจากความอยากของเราเนะี่ยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรืออยากให้เป็นนั่นเป็นนี่พอไม่ได้ดังใจอยากมันก็เครียดทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากเครียรเราก็หยุดความอยากนั้นยอมรับความจริงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ของมันไป เราไปเปลียนมันไม่ได้หันอยู่กับมันไปยอมรับมันให้ได้ใจเราก็จะไม่เครียดกับมันคำถามจากคุณเบิ่มค่ะพุทโธคือปัญญาหากมีพุทโธแล้วอริยมรรคอริยผลจะได้เลื่อนขึ้นไปเรื่อยจนถึงอรหันต์เลยใช่ไหมครับพุทโธไม่ใช่ปัญญาพุทโธเป็นสติการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้หมายถึงการเจริญสติ แต่สตินี่เราจะเป็นตัวที่จะพาให้ไปสู่สมาธิและปัญญาตามลาดับต่อไปคำถามจากคุณหลินหากนั่งสมาธิเปิดธรรมะฟังไปด้วยควรจะเพ่งไปที่คำบริกรรมหรือเสียงเทศคะเสียงเทศอย่าไปบริกรรมอย่าไปดูลมให้ใช้เสียงเทศเป็นอารมณ์แทนจากคุณนัฐพลค่ะ กาบเรียนพระอาจารย์ครับตอนนี้จิตของผมมันเสื่อมเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าจิตกวลกวายดิ้นทุรนทุรายวิตกกังวลผมควรทําอย่างไรดีครับเพราะตอนนี้ทุกข์มากครับต้องหมั่นเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดเพราะความเครียดความเศร้ามันเกิดจากความคิดของเราคิดไปนในสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็เศร้ามันก็เครียดขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้ความเศร้าความเครียดก็จะหายไป คำถามจากคุณนัทพลอีกหนึ่งคำถามค่ะจิตที่เสื่อมนี้เป็นเพราะกรรมหรือไม่ครับเพราะความเกลียดคา้างไม่ขยันพุทธโธไม่ขยันเจริญสติถ้าขยันเจริญสติแล้วความเครียกก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ได้คำถามจากคุณกาการที่คนที่ทำผิดศีลไม่มีศีลเราเปิดธรรมะให้ฟังและเขาฟังด้วยจะมีประโยชน์ไหมครับมันเหมือนเป็นการไปต่อว่าเขาครับ ไม่หรอ ก, ก็การให้ฟังธรรมก็เป็นการให้รู้ผิดถูกดีชั่วท่านเองไม่ได้ต่อว่าใครเป็นการเรียนรู้ให้รู้ว่าการทําผิดศีลนี่มันไม่มันเป็นโทษกับตนเองสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอถ้าเลิกทําได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปอันนี้เป็นการเรียนรู้การฟังธรรมเป็นการเรียนรู้ไม่ได้เป็นการว่าใคร คำถามฝากถามค่ะปกติจะทำบุญทำทานสร้างถาวรวัตถุสถานอย่างสม่ำเสมอและสวดมนต์ทุกวันทุกครั้งที่ไปทำบุญแฟนจะเป็นคนพาไปทำบุญสวดมนต์ทุกครั้งนั่งอยู่เงียบๆข้างๆเราแต่เขาไม่สวดมนต์ค่ะอยากให้เขาสวดมนต์ด้วยผู้ชวนโน้มน้าวหลายครั้งเขาเงียบเราควรจะอธิษฐานอย่างไรดีเจ้าค่ะอ๋อไม่ควรในบังคับกเพราะเขา ลอากำลังเข้าสมาธิก็ได้การส่วนมนก็เพื่อทำใจให้เข้าสมาธิแต่บางคนนี้ไม่ต้องใช้การส่วนมนก็เข้าสมาธิได้ก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเขานั่งเฉยๆเขาไม่มารบกวนเราก็ถือว่าดีแล้วเราเป็นคนตัววุ่นวายไปเองค่ะการที่เขาพาเราไปทาบุญเงินเก็บที่เรานำไปทาบุญก็ได้จากเขาคะ่ะจะได้บุญเท่ากันไหมคะ ถ้าเป็นของร่วมกันก็ได้บุญเท่ากันแต่ถ้าเป็นของของเขาก็เขาก็จะได้บุญเราก็จะไม่ได้บุญเยมิโดโยโดโยว t นท์ท hmm. ์ท์แอสควอสชั hmm. <me> mm ่นไม่หรอกอาเมนเย่บายยูโอเคพรีสกำลังโอเพนเยมิชาวต่างชาติขอบคุณครับจัน In addition to working with forgiveness toward towards uh, myself and family members, relatives, um, how can I work with detachment from my family? I think that's uh, one of the strongest attachment and like self-making I have with identifying as a part of a, a family. How can I work with that? You need two things to be able to be able to detach from everything. Mm. First, you need to practice meditation, mm. because when you meditate, you forget about everything, mm. so you temporarily uh, detach from them. But after you come out of meditation, when you start when you start to think of them, you start to become attached to them again, mm. and you need to develop wisdom. Mm. Have wisdom is to to see that everything is temporary. Mm. Our relationship with everybody on this earth is just a temporary relationship. Mm. Sooner or later, we all will have to go our separate ways. Mm. Just, just try to think of that fact all the time, and it will it will h e n enable you to be able to let go. Anicca, everything mm. is temporary. Anatta, you cannot force them to stay with you forever. Mm. Sooner or later, they will have to leave you, or you will have to leave them. Yes. So it's it's first um, and foremost. By being attached to them, will only c a u s e you stress and, mm. and sadness. Mm. You don't want to have any sadness or stress. Then just mm. let go of your attachment. Okay. Enjoy them while they are still here, but be ready for them to to go away, or you to go away from them. Uh huh. And you need you need to practice meditation. Mm. When you feel sad by thinking about this thing, then you should meditate mm. to stop the sadness. And when you come out, you can then have a calm mind to look at the the truth. And maybe you will be able to accept the truth eventually. Because by mm. not accept, accepting the truth, you are causing sadness in yourself. h uh -huh. So the acceptance of how the How things are, the nature of things. That's It's, right. Yeah. The three characteristics of existence. Ah. Anija, do k a n a t a Okay. Okay. Okay. Thank you. How long you staying? Oh, uh, here. Yeah. Uh, until uh, Wednesday. Wednesday. Yeah. Think, okay. Okay. w e r e you from originally? From Norway. Norway. Oh, really? yeah. You were here before, right? Yeah. Okay. Mm -hmm. Did you find a place here? d i d you find a place to stay long? Yeah. Uh, I'm gonna go to Wakunyawa in June. Okay. So I was gonna ask you if it's if it's maybe possible to stay a, a little longer here or somewhere else you know. Of. You might ask for a, a seven day extension if the place is available. If. If there's room for you as the as the manager. Whether you can stay for another seven days. Okay, I e a Thank okay. you. You can mention me that you have talked to me. They might then consider it. And then you, so I have your permission to ask them. More or less, I don't really give permission, but they Oh, okay. They respect my opinion a n y anyway. Okay, okay, okay. I see. Thank you right. so much. I mean, c o o m e o m e กลับเรียนถามท่านอาจารย์ครับอย่างแฟนผมตอนนี้กําลังตั้งครรภ์ถ้าเกิดว่าแฟนเนี่ยไปทําบุญแล้วก็มาฟังเทศน์นี่ครับอยากทราบว่าลูกๆเนี่ยจะได้บุญหรือว่ามีส่วนร่วม<ช>หรือว่ามันจะมีผลยังไงไหมครับไม่มีรนอกนาจากได้พ่อแม่ที่ใจบุญนะนี่ก็พ่อแม่ที่ใจบาปถ้าพ่อแม่ไปยิงนกตกปลาเนี่ยก็จะได้พ่อแม่ที่ใจบาปแต่พ่อแม่มาทําบุญก็จะได้พ่อแม่ที่ใจบุญเลี้ยงมีความเมตตาเลี้ยงลูกดี พอแม่ที่ใจบาปก็จะเลี้ยงลูกไม่ดีแต่เรื่องของบุญของแต่ละคนนี้ตัวใครตัวมันเขาทํากันเองแล้ ว, ลวเราสอนเขาเวลาเขาเกิดมาแล้ ว, ลวก็พาเขาเข้าวัดสอนให้เขาทําบุญตามเราแล้วเราสอนให้เขากินข้าวสอนให้เขาพูดภาษาไทยเอเงี้ยเราก็สอนให้เขาทําบุญเวลาเราไปวัดเราก็พาเขาไปไปวัดด้วยมันก็จะเป็นการสุกผลให้เขามีอะไรซึมซาบเข้าไปในใจแล้วต่อไปก็อาจจะติดเป็นนิสัยไปก็นะ้ ขอบคุณครับคาถามจากคุณบา ย, ยกค่ะ เมื่อสามวันที่แล้วลูกได้สัมผัสกับกิิยาซึ่งสร้างความไม่ชอบใจต่อใจลูกอารมณ์คือปริสลูกก็บริกรรมเพื่อหยุดอารมณ์ของลูกสักพักใจมันก็แวบกลับไปคิดถึงกิิยาที่สัมผัสมาวนอยู่แบบนี้ลูกจึงดูอารมณ์โกรธพอดูอารมณ์โกรธจู่จู่อารมณ์โกรธก็วูบลงมาที่ระดับกลางลูกจึงเข้าใจว่าการดูอารมณ์เฉยเฉยก็เป็นอีกสิ่งที่จะดับอารมณ์นั้นได้ รู้จึงเข้าใจว่าการดูอารมณ์ปกติไม่ปกติก็ทําให้ใจเราเฉยได้โดยเราไม่ได้หนีอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ถูกหรือไม่คะถ้าดูแล้วปล่อยวางก็ก็ได้ถ้าดูแล้วไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะเครียดขึ้นมาได้มันอยู่ที่การดูดูแบบไหนดูแบบวางเฉยก็มันก็จะทําให้ความโกรธลดน้อยลงได้ แต่ถ้าดูแล้วอยากจะให้มันหายไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปถ้าไม่เป็นมันก็จะทำให้โกรธมากขึ้นมาก็ได้คำถามจากคุณกาเราจะดูแลจิตใจของเรายังไงครับเมื่อคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราออกจากฝึกอยู่กับทุกข์หรือไปเริ่มต้นกับคนใหม่ที่มีศีลเสมอกันจะฝึกที่จะอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวได้แหะดีที่สุด ถ้าเปลี่ยนคนเดียมันก็เจอปัญหาแบบเดิมลลนะเพราะคนเราก็เหมือนกันทุกคนมีโลกกดหลงเหมือนกันไม่มีใครเราที่จะทำให้เราพอใจได้เสมอไปตลอดเวลาอยู่คนเดียวนะดีที่สุดคำถามจากคุณสุรัตค่ะทำอย่างไรจะหักข้ามใจไม่ให้ผิดศีลข้อสามหรือมีวิธีใดไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมผิดศีลข้อสามคือหมายความว่าไม่ได้ไปมีอะไรกับ ภรรยาผู้อื่นนะครับคือเรามีภรรยาหลายคนครับเหมือนกันเอาเพลนี้ของชาวพุทธเราก็ให้มีมีภรรยาคนเดียวมีสามีคนเดียว <c oughs> ถ้ามีหลายคนก็แสดงว่ามีตัณหามากก็ <c oughs> จะมีความทุกข์มากดังนั้นมีคนเดียวก็พอวิธีที่จะลดตัณหาก็คือให้เราพิจารณาอาการ32ของร่างกายอาจดูอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนัง ภายใต้ผมขนและฟันหนังก็มีเนื้อมีอ็นมีกระดูกมีม้ามีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้เนี่ยื่านผภาพไม่ออกก็ไปเปิดหนังสือดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์ดูอาการต่างๆอวัยวะต่างๆทุกครั้งที่เกิดตัญหาความอยากก็ให้คิดถึงอวัยวะเหล่านี้แล้วความอยากมันก็จะลดน้อยลงได้เนื้อหายไปได้คําถามจากชุนแจมเราจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรเจ้าค่ะ ก็ต้องตายความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดหยุดความอยากนี้ได้ลาบยศสรรเสริญหยุดความอยากทั้งหมดถ้าหยุดได้มันก็จะไม่มีเหตุที่จะพาให้เรามาเกิดอีกต่อไปอยู่ที่ความอยากความอยากพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันพอเราหยุดความอยากได้ก็มไม่มีเหตุที่จะพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหมดแล้วเหลือคาถามมีใครยากจะถามอีกไหม ถามได้ในะตอนนี้เพราะว่าถ้าเลิกแล้วเดี๋ยวมาถามต้องขออภัยตอบไม่ได้ให้ไม่สะดวกเสียงก็ไม่ค่อยมีด้วยถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดถ้าใครอยากจะดูคืนนี้ก็มีถ่ายทอสดสดสองทุ่มทาง u ูทูและทางเฟ๊ สนทนาธรรมกับหมอวีทุกันอาทิตย์สองทุ่มด้วยกันเกินวันวันพุธก็มีสนทนาธรรมทางซูม2สองทุ่มก็เหมือนกันใครติดตามต่อไปได้